ธรรมชาดกแผ่นที่สลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21ม่มกราคม2544มีชื่อเรื่องว่าปราบชดินสามพี่น้องพ่อพูใ้ใดเจ้าเนี่ย ท่านได้ตัดสรู้ใหม่จากนั้นท่านก็สอนพระสงฆ์พอผ่านพรรษาหนึ่งไปแล้วท่านก็มาเทศอุลุเวลาคตปะนาทีคัตปะขายาคัตปะคือฤาษีอยู่ในกรุงราชคฤหนะ์เป็นที่เคารพของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในกรุงราชคฤห์แต่เขาก็มีคณาจารย์เป็นที่เคารพนับถือ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 อุลุเวลาคาปานาทีกาปะขยะกตปะแต่สดินสามพี่น้องเนี่พี่ชายใหญ่อุลุเวลากตปะมีบริวารห้าร้อยคนแล้วก็นาทีกตปะผู้น้องลงมามีบริวารสามร้อยขยากตปะผู้น้องสุดท้องมีบริวารสองรอรวมทั้งหมดเป็นพันกับสามสามสตินเหมืองกันสามสดินคือหัวหน้าสามคนรวมกันลูกน้องพันหนึ่งนกัน นี่ท่านก็เป็นสำนักขึ้นมาอยู่ในที่แห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคือทีนี้พวกชาวกรุงราชคือทั้งหลายก็เคารพเลื่อมใสจักทายอย่างมากๆมีอะไรก็ปรึกษาปรารถท่านก็มีแต่ภาวนาแบบฤาษีเหมือนกันแต่แต่มีกฎธรรมเนียมว่าถ้าหาว่าใครเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ก็ให้เอาดินทรายเนี่ยเอาใส่กระป๋องสองกระป๋องนี้หิ้วขึ้นไปแล้วก็ไปเทใส่กองเอาไว้ คงจะไปตักเอาจากแม่น้ำโพงคาแล้วก็หิ้วขึ้นไปไปเทมันคงจะดีแล้วนะวะบางทีคนเกิดโมโหโทโซขึ้นมาอยู่พอตักหิ้วกับป่องซองกับป๋องไปกลัวจะหิ้วไปถึงมันก็คงเจะเลยือยความกลัวก็คงจะหายอย่างนั้นเถอะฤาษีนี่ก็ทําถูกเหมือนกันนะเออถ้าว่าใครเกิดความกําหนังอย่างนี้ก็เอากระป๋องทรายไปตักในฝั่งแม่น้ําก็หิ้วขึ้นไปเทไอกองทรายใหญ่เนะี่ยเออ มันก็คงจะดีนะเหมือนกันเถนี้พอเทมากเขามากองทรายบ้าใหญ่ทีนี้คนถ้าเป็นพันใช่ไหมเทนี้มันกเกิดมีพญานาคขึ้นมาไอ้เขาบอกพญานาคเป็นผีเหมือนกันเถอะเออลักษณะอย่างนั้นกับเป็นกายยโสตนะแต่คนทุกวันนี้ก็คงจะว่าเป็นผีแต่ว่านี่ก็คงจะเป็นพญานาครักษาอยู่ในกองกองทรายของนั้นนะ่ะเทนี้พอพุทธเจ้ากองเราท่านก็อมองเห็นแล้วว่ารู้เวลานาทีขยากราษฎสามพี่น้องนี่มีอุปนิสัย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 ก็เป็นสมณะเหมือนกันตามไม่จริงก็น่าจะหาให้เราสักแห่งหนึ่งไม่ได้เหรออพระพุทธเจ้าวานหาสักแห่งไม่ได้เหรอหาให้เราที่พักสักแห่งไม่ได้เหรอไม่ได้เต็มหมดแล้วถ้าท่านจะพักอย่างไปพักเนี่ยที่โรงบูชาไฟนั่นแหะแต่ว่ามีนาคอยู่ที่นั่นนะถ้าท่านจะไปพักก็พักได้แต่ว่าต้องระวังเพนาคตัวนั้นมันดุนะมันเคยฆ่าคนมามากตัมากแล้วแต่ท่านจะไปพักก็พักได้แต่ว่าท่านต้องระวังเราไม่รับผิดชอบ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 อุลุเวลาคาสปาเนี่มีวัดอยู่เหนือน้นะนํานะนทีคาสปาองไปขยาคาสปะเป็นน้องสุดท้องเนี่ยอยู่สุดท้ายว่างั้นเถอะคืออย่างแม่ น, น้ําโขงเนี่ยอุรุเวลาคาสปาตั้งวัดอยู่อำเภอสังคมว่างั้นเถอะนาทีคาสปาเนี่ยตั้งอยู่สีเชียงใหม่ว่างนไปขยาคาสปาเนี่ยตั้งอยู่ท่าบ่ออย่างนั้นะคือเป็นสำนักปิดลิมน้ําทั้งสาแห่งเลยว่างั้นเถะสามพี่น้องแต่นี้กุฏธเจ้ามาปโปรดอุรุเวลาคาสปะที่ชายใหญ่ครับ ตอีเห็นสู้กับพญานาคพวกลูกศิษย์ทั้งหลายโอ้ยอมรับ乌鲁เวลากตรฝาก็ไปเห็นด้วยกันใครว่าพุ่งควันใส่กันอุตลุดเลยว่างั้นเถอะข่าวนี่แหละสมณะศีรษะโลดเนี่ยตายแน่แ น, แนว่างั้นที่ไหนได้พญานาคยอมแพ้โอ้โหสมณะนี่ไม่ใช่ย่อยคล้ายๆว่าทิฐิอยู่นในใจเนะี่สยบแล้วเก่งขนาดนี้ได้สมณะโคดมเนี่ย乌鲁เวลากัตปาเกิดว่าท่านมีวิชาอะไรที่จะชนะพญานาคได้ พระเถรองก็เลยบอกว่าเออเรามีวิชาทีเดียวแล้วงั้นจากนั้นรู้เวลากษัตปาคาบริวานก็เลยเข้ามาเข้ามาฟังเทศพวกผู้ใเจ้าพู้ใจเจ้าก็เทศเรื่องเนี่ยละการบูชาเนี่ยลาคาักขนาโทสักขีนาโมหักขีนาน่นไปผู้ใจเจ้าออกมาเทศตาไปเห็นรูปเกิดอารมณ์ไม่พอใจอันนั้นเรียกว่าตาเป็นไฟตาเป็นไฟเกิดไฟขึ้นว่าโทสักขีนาออถ้าหากว่าตาไปเห็นรูป เกิดความพอใจเกิดความรักไข่อเนหวร า, าคกินาตาเป็นไฟท่านก็ไล่ไปเรื่อยแต่ตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟ อ, อไฟคือสิ่งที่มันมากระทบเย่างนั้นแต่ล้วนแล้วจะเป็นไฟมันเผาไหม้จิตใจดูเวลากระสัะสายพอฟังเท่านั้นโอ้มันอยู่ในใจต่างหาเรื่องทั้งหลายมันไม่ใช่ออกไปข้างนอกไปอยู่ในใจท่านก็เลยปล่อยวางในใจ สำเร็จเป็นพระหรหัสนั่งนั้นพอได้สําเร็จเป็นพระหรหัสนี่ขอบวชกับพระเจ้าพระเจ้าก่อเอหีพิขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นพิษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วพอพูดเท่านั้นเป็นพระเลยด้ยสมัยนั้นน่ะนบับวชเอาเอหีพิขุวางั้นเถะจากนั้นท่านก็นลอยบริขารบริขารลือสีเน่ะทิ้งลงน้ำเหือ น, นั้นเถอะเอาบริขารพระบัตเ น, นีน่พอทิ้งลงน้ําไปบริขารลอยไ ป, ไปไปถึงไอ ขยากรสปะผู้น้องชายอ้าวมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นแต่บริขารฤาษีของพี่ชายลุงตุงนังมาหมดเนี่ยมีอะไรพราเรียบขึ้นมาหาพี่ชายอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นพอมาเห็นพวกพี่ชายบวชเป็นพระหมดแล้วก็เลยเอาทําไมบวชพี่ชายกบอกฟังพุทธเจ้าสั่งพูดพุทธเจ้าเทศให้ฟังอีกยุคสองอีกออได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์บวชเป็นภิกษุอีกไอ้บริขารอันนัน้นลอยลงไปหาน้อง น้องก็เห็นว่าอ่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกวิ่งขึ้นมาอีกผลที่สุดบวชทั้งหมดพันกับสามองค์นะทีนี้พระพูดให้เจ้าได้กําลังลอะไรกันเนี่ได้ลูกศิษย์ลูกน้องพันกับสามองค์เราอ่างนั้นเถอะที่เขาว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชสัคือแหละจากนั้นกับเข้าไปกรุงราชสัคือแหละทีนีเน้เข้าไปกับคนทั้งหลายเขามาโอ้โอเขาก็จําได้นี่ว่าอือรู้เวลาคณาทีขยะกัตะปาน เป็นที่ยอมรับกองเขานะ่ะเขาก็เห็นว่าโอ้ท่านทําไมเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่เพราะว่ากันนะเนี่ยจานั้นก็พรธองค์ก็มานั่งพิกสูท่านหลายก็นั่งลอง้ลอมรอบแต่นี้พอพระเจ้าพิมพิสารมาเข้ามากราบมาก็มาเห็นโอรู้เวลากษัตริย์ในทีกษปะกับศริษถะว่างั้นก็คิดขึ้นในใจว่าเออฤษีกับศริษฐะในใครแน่กว่ากันใครเป็นผู้ใหญ่กว่ากันทําไมมาด้วยกันอย่างนี้ เขาทำให้สงสัยบางนั้นเถอะสนเทในจิตใจว่าใครเป็นอาจารย์กันแน่พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าเอ้ยรู้เวลานาทีลุกศี์ของท่านคลองใจเพราะฉะนั้นควรจะทําให้พวกเขาหายคลองใจซะเพราะว่าฉะนั้นครับผมกับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพอจากนั้นขึ้นก็เหาะขึ้นบนอากาศพอะขึ้นสูงเท่าลําตาลต้นใบตาลหนึงลงมากราบกราบเท้าพระพุทธเจ้าว่ะ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 ขณะนึงพวกชจดินยังสยบ ก, กับพระพุทธเจ้าอีกเอย่านงนั้นพุทธองค์เบลเทศให้ฟังมนาะพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะเทศให้ฟังนะจากนั้นเิดเทศในกุงราช ค, คือเป็นครั้งแรกนะถ้าบอกคนได้สำเร็จพระอหรหันสักตาคามีพระโสดาบันอนาคามีเนี่ยถึงพระไตรสนานาครเน่ยรวมแล้วสิบเอล้หุดเหมนกสิบเอ็ล้หุดเนี่ย ม, มัน เอามาไล่เลียงกันดูแล้วประมาณล้านกว่านะล้านหนึ่งแสนเท่าไรนี่แหละนคนที่ได้สําเร็จในคราวนั้นเป็นประวัติการน์นอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกาบประหาดนาถวายวัดป่าเวรุวันเป็นครั้งแรกพระองค์รับวัดป่าเวรุวันเป็นครั้งแรกนัอันนี้คือความเป็นมาของวัดอย่างนั้นแต่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายวัดก่อนเพื่อนที่ตั้งพระพุทธศาสนาในวัดป่าเวรุวันกรันดปุตตะเป็นที่อยู่เป็นที่ให้ อาหารเป็นที่ให้เหยื่อกระแตอย่างนั้นนี่แหละความเป็นมาของ พ, พุทธศาสนาหรือมัทมาศาสนาก็เป็นมาอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีวัดอื่นๆขึ้นไปเรื่อยๆกว่างบางแคบบางแต่อย่างวัดเมืองไทยของเราเดี๋ยวนี้ก็มีมากบางคนก็สงสัยว่าวัดบ้านกับวัดป่าในวัดไหนเกิดก่อนกันตามให้จริงเป็นวัดป่าเด็กพระพุทธเจ้าไปอยู่วัดป่าเวรุวันกัลันดาปุตตะ ใก้ๆว่าเป็นป่าไม้ไผ่ตรงนั้นเมลุวันป่าไม้ไผ่ในกรุงราชสั mm hmm. กขึ้นกาลันดปุตตะเป็นที่ให้เหยื่อกระแตของพระเจ้าพิมพิสารคือไอ้เบลุวันตรงนี้นะเป็นป่าที่พระเจ้าแผ่นดินสงวนเอาไว้ก็มีเป็นป่าไผ่ป่าอะไรทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปอยู่ที่ป่าไผ่ก็มีบริวารมากต่างคนต่างไปเที่ยวแตนี้พระเจ้าพิมพิสารก็นอนหลับพอนอนหลับทีนี้ งูหามก็เลื้อยเลื้ยมามันมาเห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนก็คงจะกัดมั้งเทนี้กระแต ม, มันก็กร้องเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจนเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ้เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เม๊เจ้าจ๊เจ๊เึ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจดเน๊เเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊มจทเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจแน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 ชาวบ้านขยับเข้ามาเรื่อยๆอย่างวัดปานาคาน้อยของเราเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเนี่ยบ้านนาคังเนี่ยดังนั้ก็มีบ้านนาคังทั้งๆหลังเลยมีบ้านห้อยเวียงงามอีกแล้วถึขยับทั้งนั้นขยับคนนีเอาไปมากล่าวัดของเราก็เลยล้อมรอบด้วยหมู่บ้านเหมือนกันเถอะแต่ถ้าว่าวัดแคบนะวัดเพียงสี่ห้าสิบไร่เนี่ยไม่น่าอยู่แล้วงั้นเถอะเพราะว่าชาวบ้านเข้ามาชิดเกินไปเสียงมันไม่สงบไม่เหมาะแก่การภาวนาภาวนาในตรงการความสงบเด้เงียบ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 ถ้าว่ามีเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็แว๊บไปหาเสียงอ่ะเนีมันไม่สงบเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่ไม่ต้องหาที่สงบอยู่ในป่าอย่างนี้นเหมาะอยู่ในป่าในถ้ำในเหวในที่สงบสงัดหลีกเล้นอยู่ตามลําพังนี่อยกับพระกรรมฐานพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนั้นให้อยู่ในป่าแต่ต่อมาก็พอสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็มีคู่คนเข้ามาสั่ง บ้านสร้างเรือนเข้ามามันก็กลายเป็นวัดบ้านไปวันนั้นท่าจะพูดไปแล้ววัดป่ากับวัดบ้านวัดไหนเกิดก่อนกันก็ต้องวัดปา่านะมีตำรับตำราอ้างอิงด้วยว่า ง, งั้นเถอะแต่วัดบ้านเนี่พอวัดมันตั้งแล้วมันขยับไม่ได้เนี่ยแต่คนขยับเข้ามาได้นเนยคนของร อ, อบๆก็เป็นวัดบ้านไปเออตอนนี้ไปอนุโมทนานะให้พรนะ่าี่นี่นะ